เล็ในระดับหนึ่งพอนัานยานี้จากพุทธโธในขณะที่นั่งล่างร่างกายของเราไม่กระดุกกระดิกมันเข้าออกแต่ลมหายใจเข้าออกก็กํากหนดลมออกกาหนดลมหายใจเข้าออกแต่ขณะที่เดินแขน่งขาเราขยับเราก็เอาก็พุทธโธไปอยู่ที่กับแขน่งขาของเราที่เราก้าวเดินแต่อย่าไปกําหนดลมในขณะที่เดินมันจะสับสนกันขณะนั่ง